เทศนาท่านที่81ลำดับที่7โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่3เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าให้ศึกษาวินยัยแต่อย่ากแก้ไขวินยัย วันนี้เป็นวันที่สามมีนาคมเมษายนวันที่สามเมษายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นส5บห้าคำเดือนสี่เดือนสี่เพนที่พวกเราได้ฟังปริโมกจบลงสักครูน่นี้อันนี้คือพูดสวดเรื่องศีล ของพระสงฆ์ศีลสองร้อิบศีลมาในพระปฏิโมกเป็นศีลได้ทบทวนทุกกลึงเดือนสิห้าค่ำ่สิบห้าค่าทุกกลึงเดือนจะมีการสวดพระปฏิโมกเดือนหนึ่งสวดสองครั้งเนี่ยวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้ ฟังพระปฏิโมกข์คือเป็นการทบทวนในศีลและวินัยถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทบทวนเรื่องศีลและวินัยก็ทำให้ห่างเหินไปเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องอุโบโสถลงอุโบโสถเนี่ยามาในพระปฏิโมกขนะ์เนถ้าว่าเป็นศีลศีลนในพระปฏิโมกข์ไหม สินในอภิสินมาในพระปฏิโมกไหมก็ไม่น่าจะใช่นะเป็นสีนอภิสมาจารย์คือภิกษุไม่ลงอุโบสถปรับอวบัติทุกกฎแต่เราก็ไม่ได้สวดในสิกขาบทอยู่ในสิกขาบทในสิกขาบทหนึ่งว่าภิกษุสวดในพระปฏิโมกสรแล้วก็คือเป็นสีนอภิสมาจาร์สินนอกพระปฏิโมก คือให้ภิกษุลงอุโบสถทกกลางเดือนนี้ต้องลงเพราะเป็นการทบทวนเป็นการทบทวนศีลและวินยัยกฎฟิตกฎระเบียบของพระสงฆ์พระสงฆ์จะอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันโดยผลึกเป็นผึกแผ่นก็ต้องมีกฎระเบียบหรือหลักพระธรรมวินยัย ถ้าหากว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีกฎระเบียบมันก็ไม่เป็นผึกแผ่นคือใช้อำนาจในขณะที่องค์ใดองค์หนึ่งที่มีอำนาจพอองค์นั้นหมดอำนาจลงไปองค์อื่นขึ้นมาแทนหรือว่าแย่งกันขึ้นแย่งกันมีอำนาจก็หมดไปแต่ในถ้าหากว่ามีศีลและวินัย ยังมีอยู่องค์ไหนสมควรที่จะขึ้นมาูเป็นผู้มีอำนาจก็คือผู้มีอายุพัรษาอาวุโสแต่ก็ไม่ทั่วไปถ้าผู้มีอาวุโสมีพรรษามากแต่ไม่รอบครอบไม่รอบรู้เราจะยกให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องในพระวิ น, นัยท่านก็นมีถึงจะมีอายุพรรษามาก ก็ไม่ควรจะให้นิสัยเราทะเลาะได้อ่านดูแล้วก็มีอยู่ในพระวินยัยมีใช่ว่าผู้บวชก่อนเข้ามาแล้วโตวโตเต๋อไม่รู้อะไรก็จะให้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนั้นเรื่องศีลและวินัยความเป็นมาของของพระวินยัยความเป็นมาของศีลเนี่ยผมก็เคยเล่าให้ฟัง แต่วันนี้ผมก็จะเล่าให้พวกคณะครูบาอาจารย์ที่เข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นีนะความเป็นมาของพี่ไหนเพราะพวกท่านทั้งหลาย เ, เมื่อได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้เป็นแนวความคิดว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ย เ, เป็นมาอย่างไรเพราะพวกท่านทั้งหลายที่มาบวชในคราวนี้ถึงจะบวชช่วงคราวบวชเพื่อ เฉลิมพระเกียรติมาพระเทพบวชเมื่อวันวันที่สองเมษาแต่จะบวชก่อนสองสามวันแต่มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถได้ลงอุโบสถร่วมกันพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องศีลและวินัยของพระพุทธศาสนาศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรอันดับแรก เมื่อพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์อท่าร์เป็นครั้งแรกพระสงฆ์มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดแนะพ2 5 0รูปาโรคมาไปชมตอนบ่ายคล้ายๆว่า <c oughs> ถ้าจะพูดอีกแบบหนึง่งกับแบบท่านมีญาณทัศนะท่านมีฌานแบบโทรจิตหากันบอกว่าเออ พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งพระสงฆ์ที่จะมาพร้อมกันรวมกันและแล้วก็บัญญัติเรื่องวินยัยจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้มาพร้อมกันในวันเดือนสามเพนที่วัดป่าเวลุวันกุงราชสืบในเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วพระองค์ก็ได้ให้โอวาทปฏิโมกข์และกาเนี่ยสวดพระปฏิโมก ในท่ามกลางสงฆ์ค่อยๆบอกบัญญัติวินัยขึ้นมาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าวินัยบัญญัติในคราวนั้น่ะอมีกี่มีกี่สิกขาบทท่านก็ไม่ได้พูดทั้งขนาดนั้นเพราะวินัยของพระพระทุทธเจ้าเนี่ยเพราะพระกระทำความผิดพระองค์ก็ประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติวินัยประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติวินัยออแต่คงไม่ได้บัญญัติแต่ในคราวนั้นครั้งเดียวเพราะคราวนั้นเป็นครั้งแรก พระสงฆ์ก็คงจะยังไม่มากเท่าไรแต่ว่ามีผู้กระทำความผิดลงไปแล้วแต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็ให้โอวาทปฏิโมกควบคุมไปท่านว่าสัปะ ป, ป, ปัดสะอาการะหนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุสรัสูประสมปดาการยังกุศลคือทำความดีให้ถึงพร้อมหนึ่งสจัจจตประโยชน์ปานัง การทําจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วปาฏิจากกิเลสราคะโทสะโมหะหนึ่งเอตังพุทธานัสสะสนังนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้ก็คือท่านสรุปลงมาในศินและวินัยทั้งหมดการไม่ทําบาปทั้งปวงก็คือทางกายทางวาจาไม่ทําบาปทั้งปวงจะเป็นอะไรความชั่วนจะไม่ทําการไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงหนึ่ง กุศล ส, สูปะสัมปดาการยังกุศลและการทําความดีให้ถึงพร้อมทุกอย่างกุศลสูปะสัมปดาสาจจิตะประโยช น, น์รป่าหนังการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ่วให้หมดจดจากกิเลสหนึ่งนี่แหละเอทางพุทธานศาสนังอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าโคตมะองค์เดียวนะ พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแล้วก็ดีพระพุทธเจ้าที่จะตรัสในอนาคตไปภายภาคหน้าก็ดีก็คือนี่แหละจุดหลักหรือจุดเดือกจุดเดินจุดเดิม จ, จุดยืนของพระธรรมคําสอนท่านบอกว่านี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่แหละคือในท่านให้โอวาทถปฏิโมกในข่าวนั้นครั้งนั้นจากนั้นพระองค์ได้สวดเป็นตัวอย่างให้กับพระสงฆ์สวดมาเรื่อยๆ จนถึงคราวหนึ่งพระสงฆ์เข้ามาประชุมกันในวิหารหนึ่งพอเข้ามาประชุมพร้อมกันแล้วตามปกติพระองค์พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้นํากล่าวหรือว่าเป็นผู้นําในการสวดเพราะสวดเป็นภาษาเดียวกันพูดเป็นภาษาเดียวกันให้พระสงฆ์ได้จดจําได้จากนั้นวันหนึ่งพระสงฆ์เข้ามาร่วมประชุมในสันทิ สันนิบาตพระพุทธองค์ก็นั่งเป็นประธานพระสงฆ์เข้ามาประชุมแล้วมีพระสองฆ์องค์หนึ่งทำผิดวินยัยอยู่ในสงนั้นแต่ไม่รู้ว่าอาบัติที่พระสองฆ์องค์นั้นต้องอาบัตินั้นหนักเบามากน้อยแค่ไหนท่านก็ไม่ได้กล่าวในพระไตรปิฎกท่านบุตว่ามีพระสองฆ์องค์หนึ่งเข้ามาอยู่ในถ้ำกลางสงนั้นแต่นี้พระองค์พอเข้ามานั่ง พระพุทธเจ้านั่งตั้งแต่หัวค่าตามปกติการลงอโมทสุดตั้งแต่หัวค่าจากนั้นพระองค์ไม่แสดงพระปฏิโมกไม่แสดงอาการอากับกิริยาไหมีแต่นั่งนิ่งเมื่อนั่งเน่งเสร็จแล้วพระอานนท์ตามปกติเมื่อพระสงฆ์พร้อมแล้วพระอานนท์ก็จะได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมพร้อมแล้วขอพระองค์ส่งแสดงพระปฏิโมกพระเจ้าค่ะ พระ อ, องค์ก็เป็นผู้องค์เป็นองค์แสดงแต่วันนั้นพระ อ, อนุ์กราบทูลพระพุทธองค์ก็เน่งพอถึงเที่ยงคืนก็เน่งพอจวนสว่างพระ อ, อนุ์ก็กราบทูลอีกจวนสว่างแล้วพระเจ้าค่ะพระสงฆ์ก็พร้อมแล้วขอขอพระ อ, องค์จงแสดงพระปฏิโมกข์พระเจ้าข่านะพระ อ, องค์ก็พระ อ, องค์ตรัสว่าสงในสันนิบาตของเรานี้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ เพราะนั้นเราตถาคตจึงไม่แสดงพระปฏิโมกในวันนี้จากนั้นท่านก็ไม่ได้บอกองนั้นองนี้ที่ไม่บริสุทธิ์นะแต่ทัานพระโมกคราที่เป็นอร拉สาวกท่านผู้รู้ผู้มีฤทธิ์นะท่านก็รู้แล้วว่าพระที่มีฤทธิ์มีอยู่เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์เดชรู้ได้อยู่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องพระองค์จะต้องบง่งบอกองค์ไหน พระโมกคาลาก็ยืนประกาศว่างองค์ไหนที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลมีไหมอยู่ในนี้ขอให้ออกไปเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นนะไอ้องเทสะทำความผิดของความกลัวความอายก็หดหย่อตัวลงมาไม่มีองค์ไหนออกจนถึงกับพระโมกคาลาเข้าฌานสมาบัติเข้าไปค่ายๆว่าเอาจับจอเลดา้าเขาไปจ่อเข้าไปเลย ก็เห็นองค์ที่ไม่บริสุทธิ์ในสินจากนั้นพระโมกขรารก็เป็นลากแขนออกไปออกไปนอกวงจากนั้นก็ปิดประตูไม่ให้เข้ามาจากนั้นพระองค์แสดงโอวาทปฏิโมกเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่แสดงปฏิโมกจะไม่สวดปฏิโมกเพราะพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในสินจะมีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ให้พวกเราคิดดูใช่ไว่าฟังดูเอาไว้อันนี้คือบทเรียนบทหนึ่งไม่ใช่ว่าพระที่ไม่มีศีลมันมีแต่ยุคของเราไม่ใช่ขณดต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เพราะเหตุใดเพราะคนสมัยนั้นกิเลสสมัยนั้นกิเลสสมัยนี้มันไม่แพ้กันคือกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกันแต่ว่าใครจะควบคุมจัดการมีให้ริโอตปะ มียางอายมากน้อยแค่ไหนพิจ เ, เป็นผู้มียางอายอมากน้อยแค่ไหนต่างกันเท่านั้นแต่บางองค์ก็ไม่แพ้ในยุคนี้บางองค์ยุคของเราไม่แพ้ในยุคสมัยนั้นนี่แหละคือความเป็นมาของพุทธะในช่วงหนึ่งอันนี้พวกเราก็ให้ฝังเอาไว้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมิใช่แต่ เมื่อพระพุทธเจ้าพระริเนี์านแล้วพระสงฆ์ทาความชั่วช้าเสียหายแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าคงจะบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ผุดผ่องหมดทุกอย่างก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะในครั้งพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์บัญญัติวินัยขึ้นมาก็นี่แหละเพราะพระสงฆ์ทาไม่ถูกในเมื่อพระพุทธองค์บัญญัติวินัยแล้วบางครั้งก็อยู่นะหยุดผู้มีฮิลิโอตปะก็าฟัง แต่ถ้าไม่ถ้ามีพระที่ไม่มีให้เลิอตปะผาพี่พระหน้าด้านเป็นพระที่ไม่มีอยางอายเป็นอรัชชีก็มีมากไม่ใช่น้อยเหมือนกันในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกเราพูดอย่างนั้นได้แต่ทันทีเมื่อพระองค์ปรินิพานก่อนที่พระองค์จับปรินิพันวันเดือนหเพนพระองค์ไปอยู่ที่เมืองกุชินาลาที่ อุทยานของมันลัตริย์ที่พระ อ, องค์ทําการปรินิพพานในเย็นในคืนวันนั้นวันคืนคืนวันเดือน6เแผ่นนั้นพระ อ, องค์ก็ได้สั่งเสียพระสงฆ์ว่าการเรียกกันอาวุโสนั้นควรจะเรียกผู้น้อยผู้ใหญ่ให้ถูกตามผู้น้อยผู้ใหญ่แล้วก็ให้ปฏิบัติต่อตนให้พระสงฆ์ปฏิบัติต่อสตรีเพศอย่างไร พระอานุน์ก็กราบทูลถามว่าจะปฏิบัติตนต่อสตีเพศเพศอย่างไรพระองค์บอกว่าอย่าดูอย่ามองเฉลยเป็นดีอานุน์ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องดูจะต้องมองแล้วพระเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยถ้ามีความจำเป็นจะต้องพูดด้วยแล้วพระเจ้าค่ะต้องมีสติมีขั้นตอนที่พระพทองค์ได้สั่งพระอ น, นุ์ แล้วให้พมลงผมมเมต翰กับช น, นะนะเมื่อเรามรณะภาพผ่านไปแล้วและอวบัดเล็กน้อยอบัดยุ่มยิมพวกท่านทั้งหลายประชุมกันเห็นว่าอาบัดยุ่มยิมตัวไหนที่จะถอดถอนได้ก็ให้พวกเธอประชุมกันพร้อมกันแล้วก็ถอดถอนอบัตดยุ่มยิมพระนอนก็ได้ถามก่อนหน้านี้ว่าลงผมมเมต翰กับฉันนะทํำยังไงพระองค์บอกว่าให้สง์ประชุมพร้อมกันจากนั้นก็ประกาศขึ้นมา เพราะว่าเมื่อเราตถาคตยังอยู่บอกกล่าวชนะชนะไม่ยอมฟังแต่เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายประชุมกันประกาศเลยว่าชนะจะดา่ใ า, า, ด า, า, ดาใครก็ตามชอบปริพาดด่าองค์ไหนก็ตามด่าใครก็ตามด่าได้ตามอัธยาศัยตามสบายใจแต่พวกท่านทั้งหลายอย่านับเนื่องว่าชนะเป็นหมู่พวกท่านให้ปล่อยไปอิสระ อ, อ, อย่าร่วมกินอย่าร่วมสังอุบออุบสถสังฆ ก, กรรม ยาโร่ยาล่อมสนทนาพูดคุยด้วยปล่อยเป็นอิสระให้ช น, นะเป็นอิสระในการเป็นอยู่นี่แหละคืออันนี้คือเราพรหมทันแ พ, พร่พองลงพรหมทันกับช น, นะจากนั้นเมื่อพระ อ, องค์พระปรินิพานลงไปท่านี้มีพระเถระมีพระองค์หนึ่งไม่ใช่พระเถระนะพระแก่องค์หนึ่งมานเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสปะเถระที่มา กับพัฒมหาคัจจปเทระที่มาจากเมืองป่าวา เ, เดินทางมาถึงกุชินาราพอมาถึงเมืองกุชินาราแล้วเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระสดูดาผู้ยังมีกิเลสอยู่เรือว่าพระสงฆ์ที่มีกิเลสอยู่ตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าน้ำตานองหน้าร้องห่มร้องไห้กันฟุยไฟไปหมดมีพระแก่องนั้นเข้ามา พร้อมกับพระมหากัจปะมีพระมหากัจปะพาะพระสงฆ์ม า, มาตั้ง500องค์เข้ามาในชุมนุมที่พระพุทธองค์ปรินิพานที่สวนมันลกรรษัติยุทยาณจากนั้นพระผาพระมหากัจจปะกราบพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็เทวดาก็ไปชมเพลิงไม่ใช่มนุษย์ประชุมนะเทวดาไฟของเทวดาจุดเอง แต่มีพระแก่องค์หนึ่งที่มาพร้อมกับพระมหากรัสปะพูดขึ้นแบบเร่รอนและพูดขึ้นด้วยความจงใจอย่างไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่พูดได้ยังได้ยินเสียงดังฟังชัดคงจะพูดหลายหลายกล้ำหลายวาระก็เม้นไม่มั่นใจจนถึงกับพระมหากรัสปะได้ยินบอกว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าตายไปแล้กกวก็ดีแล่เนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะไปร้องห h o ร้องไห้ทําไมในเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ มัญหยัดวินัยศินขอนั้นวินัยขอนี้กฎระเบียบอย่างไงกฎระเบียบอย่างนี้น ล, นลำคาญลำคาญ ย, ยิ่งกว่าอะไรในเมื่อพระเมื่อพระพุทธองค์เปรติพานไปแล้วเราจะทําอะไรตามอัยิยาศัยตามสบายเราทําตามสบายไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติวินัยให้พวกเราอีกนะอันนี้แหละคือต้นเหตุของวินัยจะเกิดขึ้นที่ัำที่ทําสังขาระนา จากนั้นพระมหากัรสปาได้ยินโอ้สุพัฏะที่บวชภายแก่องค์นี้พูดไม่เป็นมงคลเลยถ้าหาว่าคำพูดนี้ออกไปกระจายไปทุกหัวและแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธ้าคงจะไม่ถึง 5,000 ันปีคงจะหมดเดียวโดยเร็วพรันเพราะเหตุใดเพราะมีการจ้วงจับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ้าถ้าหาว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรวบรวมทำวินัยให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นพร ะ, พระมหากรสปะก็ได้เรียกปรึกษาปารพผู้ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในระดับก็บอกวพวกเราจะทำยังไงมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพวกเราจะทำรวบรวมหลักพระธรรมวินัยไหมพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นพ้องต้องกัน เ, เมื่อเห็นพ้องต้องกันก็ถามว่า เ, เราจะไปชมกันที่ไหนพระสงฆ์ก็ว่า ประชุมกันที่ถ้าสัตบัญญัติกูหาเขตแขวงกุงราชคือพระเจ้าอาซาสตูเป็นสาธขอร้องให้พระเจ้าอาซาสตูเป็นสาธารณูประถมพกเขตแขวงกุงราชคือเราจะไปชมกันเมื่อไหร่แต่พระพุทธองค์ก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานพระอานนท์ปนิบัติพระพุทธเจ้าเหมือนกับเงาตามองอ่แต่พระอานนท์ ก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานพระอ น, นุ์เสียอกเสียใจถึงกับน้ําตาหลั่งไหลเพราะอายุที่เท่ากันกับพระพุทธเจ้าอายุ80ปีเหมือนกันแต่พระอน น, นุ์มีความเสียใจอย่างมากที่พระพุทธองค์ปรินิพานก่อนเพราะตัวเองยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจากนั้นพระอ น, นุน์ก็ถึงกับร้องไห้ออกไปเกาะราวบันไดแล้วกกทางขึ้นบันไดพระองค์ก็ได้เรียกพระอ น, น, นุ์ กลับขึ้นไปว่าอานอนท์ไปไหนพระสงฆ์ก็วอาพระนนท์ไปร้องไห้พระนนท์ร้องไห้ทำไมพระนนท์บอกว่าข้าพระองค์รู้สึกเสียใจในที่พระองค์เป็นผู้เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงเหมือนกับพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงลูกขึ้นมากำลังจะเดินได้คือพระโสดาบันแต่ข้าพระองค์ก็ได้ยังไม่ได้สำเร็จ แต่พี่เลี้ยงก็ตายไปเสกกอดแล้วข้าบองค์มาคิดถึงจุดนี้อดที่น้ำที่จะร้องไห้น้ำตาหลั่งไหลไม่ได้กระผมจึงอดไม่ได้พระองค์บอกว่าอานนเธอปฏิบัติเราตถาคต ด, ดีโดยสม่ำเสว ม, มาโดยตลอดแต่เอาเถอะจากนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปสามเดือนท่านจะได้สำเร็จเป็นพระหัน นี่คือพระพุทธเจ้าพยากรพระยกรพระอนุนว่าอีกจากนี้ไปอีกสมเดือนเธอจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระอานุ์ได้ยินคํานั้นก่พระพุทธองค์ตรัดคําไหนคำว่าสองไม่มีพระอนุนก็ชื่นชื่นใจขึ้นมาอย่างสุดๆจากนั้นก็มีกําลังใจจากนั้นเมื่อพระเมื่อพระพุทธองค์ปริทิพานถวายพระศรีระถวายพระเพลิงพระพุทธองค์จบลงไปแล้ว พระมหาก็จะกระปรลในเรื่องนี้แต่นี้พอปารลขึ้นมาเราจะประชุมกันที่ไหนเมื่อไหร่พระสงฆ์ก็บอกว่าการประชุมกันขาดพระอานุ์ไม่ได้เพราะพระอานุ์เป็นพระหุสูตรเป็นผู้ติดตามพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าหากว่าปปอานุ์ไม่ได้มาประชุมร่วมในคราวนี้หลักพระธรรมวินัยก็คงจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าจะเอาพระอานนุ์มาประชุมก่อนที่ท่านจะได้สําเร็จเป็นพระหัน์ ประวัติศาสตร์ก็คงจะออกไปว่าพระอรหันต์ทั้งหมด499รกูปมีพระโสดาบันคือพระอนน์ท่านหนึ่งที่มาร่วมประชุมสังขาจนาเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นครั้งแรกนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องกระมังแต่นีนพระมหากรตปาหเือเอา้าจากนี้ไปสามเดือนให้สามเดือนให้ท่านพระอานุลบำเพ็ญได้สเร็จเป็นพระรอรหันต์ซะก่อนจึงมีการประชุมกัน ที่ทำสัตบุตรนคูหาก็ให้เลือกกันองค์พระสงฆ์ทางก็เลือกกันเลือกกันล้วนแล้วแต่ตมีปฏิสัมพิทายานออให้ใค้ายว่าองค์ที่เลือกมาเนี่ยคือเป็นเกรดเอทั้งนั้นเออหาะเหินเดินฟ้าได้แต่ฉันในอัดในทำในปฏิปทาทุกอย่างอันนี้ก็คือพระ อ, อ, อรหันท่านเลือกกันออจากนั้นก็นัดกันไปที่กรุงราชคือ จากนั้นพระมหาพระอนุ์ก็ออกจากกุชินาราที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าแล้วก็นำบริขารแล้วก็พระธาตุของพระองค์เดินกลับไปสู่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารไปที่ไหนคนก็ร้องให้เป็นสายไปตามแนวทางไปตะกอนเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นพระอนุ์เห็นพระอนุ์ก็เห็นพระพุทธเจ้าแต่วันนี้เห็นแต่พระอานุ์ เดินมาตามลําพังกับพร้อมขวบบริขารพระสง์เดินมาตามแนวแถวจากนั้นพระอานนท์ก็บําเพ็ญจนถึงวันเดือนสุดท้ายท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์อันนี้พูดอย่างโรบรัตนะแต่ในพระไตรปิฎกนั้นพูดอย่างละเอียดความเป็นมาของพระอานนท์และก็ความเป็นมาของพระพุท ธ, ธะจากนั้นก็ได้มาประชุมกันในถ้ำสัตรบัรณครูหาตอนนี้พอมาถึงพระอานนท์ในวันนั้นได้สําเร็จ ท่านก็ไม่ได้เดินเข้ามานะท่าเดินเข้ามาเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็บางองค์ก็จะสงสัยว่าเอ้ยท่านพระอนุนได้จำรัด จ, จริงหรือเปล่าเลยแต่วันนั้นเมื่อพระสงฆ์พร้อมกันแล้วอย่างพวกเรานั่งอยู่ในนี้เว้นอาณานะพระอนุ์ไว้อาณาหนึ่งเออจากนั้นพระอานุ์พอพระสงฆ์พระอานุนยังไม่มาเลยยังพวกเราพร้อมกันแล้วพร้อมเหรอเออพระอนุ์ก็พุทธขึ้นเลยเออเหมือนกับเห็พดพุทธขึ้นจากดินลักษณะอย่างงั้นล่ะนั่งตรงกลาง พระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งดูนักโอ้ชายพระอนุนท่านแสดงฤทธิ์ได้ขนาดนี้คือพระรหันต์เป็นที่ยอมรับกันทวนหน้าจากนั้นพอพร้อมกันแล้วพระหมาก็จะปะก็ถามว่าดูก่อนหมู่สงน้องนุ่งทั้งหลายลักษณะอย่างนั้นแหละพวกเราจะไปชุมหาหรือกันในคราวนี้เราจะหาชุดประชุมกันเรื่องอะไรเอาอะไรก่อนรมและวิ น, นัยพระสูตรพระวิ น, นัยพระประมัตธรรม เราจะไปชมกันเรื่องอะไรก่อนไปชมกันเรื่องความเป็นมาของพระพุทธพระพุทธคือพระสูตรไปชมกันเรื่องกฎระเบียบคือวินัยประชุมไชมกันเรื่องอแนวความคิดเรือความตัดสู้บรรลุธรรมพระอนุตรสัมมาสัมโพโพธิยานหรือที่สาเร็จพระอรหรอันต์อนันต์เรียกว่าปรมตถธรรมเราจะไปชมกันเรื่องอะไรก่อน พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าพระพุทธองค์สั่งได้ตรัสไว้ว่าธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดาศาสนาของตรถาคตยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราควรสมควรยิ่งที่จะไปชุมกันเรื่องห ล, หลักพระธรรมวินัยก่อนเมื่อเราตรถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นาศาสดาของพวกท่านทั้งหลายให้ข้าบอกพระพุทธองค์ได้มอบให้องคใดใครองค์หนึ่ง พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าทำและวินัยของเราจะเป็นศาสาดาของพวกท่านทั้งหลายต่อแทนแทนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรสมควรที่จะทําสังขารยนาก่อนีน่อันนี้คือพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นท่านลงมติกันเพราะฉะนั้นเอาพระที่มาประชุมกันในวันนี้พระพุทธเจ้ายกย่ององค์ไหนที่ว่าเป็นผู้เลิศกว่า หมู่เพื่อนทั้งหลายได้รับเอธัตคะจากพระพุทธเจ้าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายกว่าภิกษุทั้งเรืยอเกี่ยวกับพระธรรมวินยัยคือกฎระเบียบพระองค์ยกให้องค์ไหนพระสงฆ์ก็บอกว่าพระอุบาลเีเป็นพระอุบาลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ได้รับเอธัตคะถ้ามีคดีความเกิดขึ้นณสถานที่ใดพระพรทองค์จะส่งพระอุบาลี ไปชําระคดีความไม่รู้ว่ากี่กี่ครั้งในครั้งในครั้งพุทธกาลในเมื่อชําระมาแล้วพุทธองค์บอกว่าอืถ้าเราไปชําระก็เหมือนอุบัติอุบาลีชําระถูกต้องแล้วนะพุทธองค์ยอมรับจากนั้นเมื่อพุทธองค์ประเรณีผ่านพระสงฆ์ทลายกว่านี้พระอุบัติเป็นที่พระพุทธองค์ไว้เนื้อเชื่อใจในหลักพระธรรมวิ น, นัยคือกฎระเบียบน่เป็นผู้ชื่อตรงเป็นผู้หนักแน่น เป็นผู้ตัดสินทําวินัยถูกต้องจากนั้นเออเอาถ้าอย่างนั้นก็เราจะควรจะทําสังขารนานะทีนี้พระมหากัสปะขถามว่าอาโนนท่านอานน์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างกับท่านเอออันนี้แหละจุดนี้แหละสาคัญนี่เลยนะเออที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าสั่งเสียเรื่องผมมาทานบ้างเรื่องอะไรบ้างอาบัดยุมหยิมพระอานน์ก็กราบทูล พระสองฆ์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดมาแต่บอกพระท่านก็บอกว่าพระพุทธองค์ได้สั่งเสียว่าอาบัติหยุมหยิมอาบัติเล็กน้อยถ้าหากว่าพวกเธอท่านทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันจะถอดถอนหลักพระธรรมวินัยของเราตถาคตก็ถอดถอนได้นะเอให้พระสงฆ์หลงปติเห็นพ้องต้องกันก่อนพระอ น, นุนพระมาหากรตปาได้ถามพระอา น, นุ์ว่าท่านอา น, นุ์ได้ถามพระพุทธเจ้าหรือไม่ว่า อาบัตเล็กน้อยอาบัตจุ๋มหยิมนั้นในกลุ่มไหนเรื่องอะไรท่านได้ถามไหมพระ อ, อนุ์บอกว่าไม่ได้ถามครับผมเพราะเหตุณว่าในช่วงที่พระ อ, องค์องปองสังข า, จารจะไปนิพพานอีกสามเดือนข้าพระ อ, องค์มีความวิตกกังวล ว, ว้าเหวอ อ, อย่างมากเพราะเหตุไลเพราะพระอนุนยังไม่ได้เป็นพระหรันยังเป็นพระโสดาบันอยู่อย่างวิตกกังวล ยังมีความทุกในใจอย่างลึกๆเพราะฉะนั้นพระพุทพระอ น, นุลก็ได้ถามว่าอาบัตเล็กน้อยนะั้นอย่างไงหนอไปเจ้าค่ะที่จะให้พระสงฆ์ถอนพระอ น, นุลไมาได้ถามพระสงฆ์ทั้งหลายพระมาหาเกษตรวัตมณีพระอา น, นุ์ว่าขาดความรอบขอบแต่พระอา น, นุลก็ยอมรับว่าขาดความรอบขอบใลยนเรื่องนี้จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเอาถ้าอย่างนั้ น, นประชุมกันพวกเราควรจะสอนศิทธิขบฏมากน้อยแค่ไหน อะไรจากนั้นพระสงฆ์500องค์ก็จับกลุ่มกันพระสงฆ์เหล่านั้นกลุ่มหนึ่งก็เป็นกษัตริย์กลุ่มหนึ่งก็เป็นขราชการกลุ่มหนึ่งก็เป็นพ่อค้ากลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกพราหมณ์มันหลายกลุ่มพวกเกษตรกรพวกเกษต ร, ร, ร, รอะไรมากเป็นพระหัต์แต่ท่านปฏิแตกฉานในปฏิปฏสัมพิทายานด้วยกัน เทนี้ก็เป็นกลุ่มเข้ามากันเรียกเข้ามามาพร้อมกันอกีกเมื่อหารืองกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะจากนั้นพระมหากัะสปะถามเอา้าเราจะถอดถอนซิกขาบทไหนพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ว่าเสกพิชมาจารย์ทั้งหมดน่าจะถอดถอนทั้งหมดกลุ่มหนึ่งก็ว่าเสกีวัตรน่าจะถอดถอนทั้งหมดผลในสุดแต่ละกลุ่มเนี่ยคัดค้านคัดแย้งกันไม่เป็นเอกฉันท์ฟังดูซิ ทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทาญานน่าจะพูดหนึ่งกับหนึ่งด้วยกันสองก็บสองด้วยกันไม่ใช่นะนาน า, นาจิตต่างนาน า, นาทัศนะพราะกลุ่มชาวนาชาวกเกษตรก็เห็นว่าเสียขิยวัตรไม่จําเป็นแต่กลุ่มพูออยู่ในบ ก, กลุ่มที่เป็นกษัตริย์กลุ่มที่พวกพราหมณ์กลุ่มที่มีมารญาตเสยขยยวัตรในจําเป็นสินต้องศินอภิสมาจารย์ในจำเป็น เอาไว้ของไว้สินอภิสมาจารเสกียวัฒนที่สวดเมื่อกี้นี่คืออะไระภิกษุการฉันนผมจะยกเป็นการฉันเท่านั้นเองนะอย่างอื่นกิริยามารยาทอย่างอื่นมีอยู่ในนั้นตัวอย่างที่ว่าเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสู้ๆเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันแลบลิ้น เราจะไม่ฉันทํากับพุงแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดเราจะไม่โยนคําเข้าเข้าปากเนี่ยอันนี้ก็คือเราสวดเมื่อกี้นะ่ะคือศินพระมาเนี่ยพระปฏิโมกศินสองอยี่สิบเนะี่ยอยู่ในเนี้ยนี่ที่พมมากคือพูดมาคือศินสองี่สิบแต่เนีพวกชาวนาพวกเกษตรก ร, รทั้งหลายเขาก็ไม่จําเป็นเขากินยังไงก็ได้มูามาบยังไงก็ได้เพื่อให้อิม่ม แต่กษัตริย์พราหมณ์อยู่ในชุมชนสังคมโอ้ถ้าขาดอันนี้ไม่ได้กิริยามารยาทสาธารณะต้องจาเป็นต้องคงไว้นี่แหละพระสงฆ์ทั้งหลายคล้ายๆบอกกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยพอในที่สุดพระมหากัสปะก็บอกเมื่อเห็นอย่างนั้นพระมหากัตปะที่เป็นประธานสงฆ์ ก็บอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายสหธรรมิกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยขึ้นมาแล้วเกิดประโยชน์ปกครองสงมานมนานถ้าพวกเราจะถอนออกไปเนี่ยคงจะลุ่มลุ่มดอนดอนคงจะไม่สม่ำเสมอพวกกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยผมว่าเนี่ยคงไว้ทั้งหมดดีไหมคงไว้ทั้งหมดไม่มีการถอนพระสงฆ์ทั้งห้ารององศาทุเห็นด้วยทุก ทุกันทุกคนไม่มีใครจะคัดแย้งเป็นเอกเป็นเอกฉันในคำในคำเสนอของพระมหากราปะเพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่าเออพุทธวจนะอันนี้เป็นสาวะส า, สาวะวจนะสาวกวจนะนพุทธวจนะแต่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยนั่นล่ะคือหลักพระธรรมวินัยเป็นกฎ ทีกากฎที่มีระเบียบถ้าพวกยกสมัยนี่ว่าอันนี้ไม่ใช่พุทธพระวจนะถอนออกยังเหลือวินัยอยู่ร้0หาสิบกขาบทหลวงพ่อวันเนี่ยเป็นการบั่นทอนทำลายพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอันนั้นคือไม่ถูกต้องผมงพอม่อมาเห็นด้วยควรจะคงไว้ตามเดิมทั้งหมดเพราะมันเป็นมรารยาทในชุมชนและสังคมเราจะไปรู้ได้ยังไง ขนาดหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อนี่มฟังมาจากหลวงตามหาบวนหลวงพ่อเขาว่าองค์หนึ่งน่ะเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาท่านพูดอะไรออกม า, เ, าเทศอะไรออกมาเราก็พยายามจำแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติบอกกล่าวให้กับคณะเสร็จญาณุสิทธิ์ทั้งหลายนณะนั้นก็ยังผิดผิดถูกถูกลุ่มลุ่มดอนดอนยังไม่จำยังไม่ได้ทั้งที่ท่านจากไปไม่นาน แต่พระพุทธเจ้าพระนิพพานมันจะสอง2้อยออยห้าปีแล้วเนี่ยเราอยู่ที่อยู่เบ้างหลังเราจะไปพูดได้ยังไงว่าอันนี้คือพุทธวจนะอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะอหลวงพ่อว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นทรรมเห็นที่ไม่สร้างสรรค์เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องในความเห็นของหลวงพ่อนะอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ให้ฟังเอาไว้ในนะความเป็นมาของพุทธ ที่สาวกที่พระมหากคตปะเป็นประธานในถ้ำสัตรบรญญคูหาในการประชุมในคราวนั้นครั้งนั้นท่านตรัสยังไงท่านพูดยังไง อ, อันนี้แหละคือส่วนหนึ่ง เ, เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการบัญญัติวินยัยจากนั้นท่านก็ให้พระมหาท่านพระ อ, อุบาลเีเป็นผู้เฉลยพระมหากคตปะเป็นผู้ชักถาม สิกขาบทที่หนึ่งเป็นยังไงที่2ที่สจนถึง227รสิกขาบทพวกเราอยากจะรู้ในวินัยเหล่านี้ให้ไปอ่านในพระไตรปิฎกมีอยู่ห้าเล่มเรื่องศีลและวินัยของพระความเป็นหมาของวินยัยเรื่องใครเป็นคุณกระทำผิดเบื้องต้นใครเป็นผู้กระทำบัญญัติวินัยเพื่ออะไรในจุดนี้อย่างนี้เรื่องนี้บางเรื่องก็ท ร, รมวัชชะคือทำติเตียน บางทีก็โลกโล ก, กวัดชักคือโลกเขาติเตียนพระพุทธเจ้าท่านแขรนะแขร์โรคด้วยเพราะอะไรทั้งที่ท่านเป็นธรรมทาไมแขรโลกเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกี่ยวเนื่องกับโลกเขาถ้าโลกเขาไม่ยอมรับประกาศพระาศาสนามักประกาศไม่ไปเพราะโลกเขาต่อต้นอานเราก็ต้องพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้มันถูกกับโลกเขาซะอแต่ว่าธรรมนะมันไม่ผิดหรอกออย่างภิกษูตัดต้นไม้นไดายยา้ญาติเป็นอบัวบป้าจิตตีี่ย แต่ตามให้จริงไดาา้ญาติพระองค์บอกว่ามันไม่มีวิญญาณาต่อต้นไม้มันมีธาตุธาตุสีรวมกันเท่านั้นเองไม่มีวิญญาณถ้าสัตว์ตัวไหนกระโดดได้วิ่งได้กระโดดได้จะเป็นมแมลงเป็นยุงเป็นลิ้นเป็นอะไรก็ตามอันนี้ก็คื อ, อ, อปิดเป็นที่มีวิญญาณคลองสิ่งภิกษุแก้งฆ่าสัตว์ตีรชานต้องปาเจตเีจะเป็นตัวลิ้นตัวยุงก็ตามถ้าเจตนาฆ่า เ, เป็นอวบ แต่ถ้าหาว่าไปตัดต้นไม้ตายหญ้าเาพราะมันไม่มีวิญญาณไม่เป็นอาวัตแต่โลกในยุคสมัยนั้นเขาว่าต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีวิญญาณทําไมสมณะสากยะบุตรจึงต า, ายหญ้าตัดต้นไม้ไม่ถูกต้องเหมือนกับฆ่าตัดตัดชีวิตพระองค์ประกาศทไรใดเขาก็ต่อต้านพวกชาวโลกเขาพระองค์ก็บัญญัติวิไง เออเอาประชุมสงฆ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดข้อตามภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตนะีนี่แหละถ้าจะว่าไปพระพุทธองค์ของเราเนี่ยค่อๆว่าแครแคในชุมชนสังคมอยนะพวกเราท่านทั้งหลายวันวันนี้เป็นวันอุโบสถนะหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับความเป็นมาของพิ่ในของพุทธศาสนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา ถ้าผมพูดลงไปนี้ถ้าฟังลงไปนี้นะพวกท่านทั้งหลายจะค้นคว้าศึกษาในพระไตรปิฎกก็ยังได้นะผมเอาอ้างอีงมาจากพระไตรปิฎกแต่ไม่รู้ว่าเล่มไหนให้พวกท่านทั้งหลายค้นคว้าศึกษาดูก็แล้วกันนะนี่แหละวันนี้เป็นวันบัวสดเป็นวันสำคัญของพวกเราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมีเวลาน้อยให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ององกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย แล้วก็ทุกวันบ่ายสองโมงอย่างนี้แหละให้มารวมกันฉันน้ำปานะที่โรงน้ำร้อนนะฉันตามอัตยาศัยเวลาฉันอยากคุยกันไม่ใช่ลงตามหาบวชโรงน้ำร้อนไม่ใช่โรงสุราจะมาคุยกันขโมงสงเสียงไม่ได้มาฉันด้วยความสำรวมระวังเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ต่างองค์ต่างไปเพราะอิ่มแล้วจากนั้นก็ไปปัดควาทความสะอาดแล้วก็ ถ้าผมมาอยู่หรือไม่อยู่นะประวัติที่ผมก็จะไปนู่นนะไปอำเภอสังคมเขาในมนลหลงผมไปพอเสร็จจากนี้ผมก็คงจะไปแต่ผมก็ไม่อยากจะไปแ้วเขาในมลหลายครั้งผมก็จาเป็นควรจะไป <c oughs> พบพี่ๆน้องๆบัง่งตอนบ่ายสามคงจะมีการแสดงธรรมแต่ผม เ, เทศแล้วขงผมคงจะกลับมานะอพอกลับมาฉันจะหารเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะลง มีโทรละลงไปกรุงเทพอีกเท่านนี่ลงไปกรุงเทพผมมีกิจนิมนต์หลายๆอย่างนั่นแหละนานผมไม่ได้ลงไปสองเดือนกว่าเนี่นะไม่ใช่ผมลงไป น, นันน่นนะสองเดือนกว่าลนะ่ะผมไม่ได้ลงไปกรุงเทพนะรู้สึกว่านานมากคราวนี้แต่เขาก็นิมนต์มาผมก็จําเป็นจะต้องได้ลงไปคราวนี้แต่ถ้ายัางไงก็ขอฝากกับพวกพระทุกองนะพระเก่าพระใหม่ให้มารวมกันลงไหว้พระสวดมนต์ทุกเยน็นจนกว่า พระนวกะจะลาศิขาเพราะพระนวกะถ้จะเอาแต่พะนวกะนวกะมาพระเก่าไม่มาก็ไม่น่าจะถูกเพราะจะได้นําพระนวกะสวดมนต์เย็นจากนั้นก็ใดเปิดเทปเลือกกันเทปเอาเทศหลวงพ่อกันที่หนึ่งหรือจะเอาหลวงตาข้างที่สองหรือว่าเอาแต่หลวงพ่อกันหนึ่งแต่นานๆจะเอาตรงตากันที่สองก็ได้เพราะว่า หลวงตานี่ท่านจะเทศอยู่ทุกคืนอยู่แล้วถ้ามีวิทยุก็แจกกันแต่ถึงยังไงวิทยุอย่าไปฟังเพลงฟังลำนะไม่ใช่แนวความคิดของหลวงพอ่อหลวงพ่อให้ฟังธรรมเทศนาเพื่อการศึกษาในทำคําสอนไม่ใช่ให้มาสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ไม่ใช่มาให้ร้องรําทําเพลงไม่ใช่แจกวิทยุให้ เ, เพื่อฟังธรรมเทศนาเพราะสถานีวิทยุของเราอยู่ที่หลังวัด เปิดเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินเดี๋ยวนี้ 103.25 เมกะเฮิร์นะ FM นะน่าจให้ฟังแล้วก็ให้พระทุกองค์มาพร้อมๆกาันาสวดให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พวกพระที่เขามาบวชใหม่ที่เขามาบวช ใ, ใหม่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรของมนุษย์ของคนในยุคปัจจุบันมีทั้งพอออเขตหนึ่งมีทั้งพออโรงเรียน ตั้ง22ท่านอ่าอันนี้สมควรยิ่งพวกเราจะต้องอได้วางร า, ากฐานและแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะอ่าเพราะพวกเรามีเวลาน้อยเข้ามาศึกษาในวัดว า, าศาสนามา ส, ส, สู่วัดหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อวันนี้ร้อนนะถึงขนาดนี้นะหลวงพ่ อ, อย่างพูดความเป็นมาของพุทธศาสนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง ให้ฟังว่าเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อไม่ใช่อยากจะพูดนะร้อนอแต่ว่าผลประโยชน์ที่จะให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษามองมองไกลไว้ก่อนอถ้าว่าสิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์หลวงพ่อจะไม่คิดทำแต่หลวงพ่อบอก ว, วันให้หมู่พระลูกหลานทั้งหลายอตอนเย็นหกโมงไม่ต้องคํา ม, มากนะหกโมงแล้วมาไปชมกันไหว้พระจบแล้ว ใช้ไหว้พักประมาณ20กว่านาทนะีจบจากนั้นก็ฟังเทศพอฟังเทศจบแล้วก็เอาแยกย้ายกันนั่งภาวนาสักสักชั่วโมงหนึ่งเอานั่งภาวนาสักชั่วโมงหนึ่ง เ, เพื่อให้รู้จักแนวทางาภาวนาอย่างไงกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนั่งคัดสมาธินั่งคัดสมาธิจากนั้นก็ภาวนาจากนั้นยังค่อยแยกย้ายกันจากนั้นก็กลับไปกุฏิกันเดินยงกลมอีกพอเดินยงกลมขึ้นนั่งภาวนาจากนั้นค่อยพักผ่อน เนี่ยเรามีเวลาน้อยเราก็ต้องพยายามประกอบคุณงามความดีให้สมบูรณ์ให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าให้มีคุณค่าที่สุดอย่าให้เปล่าประโยชน์ที่มาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ฝ่ในการศึกษาเรียนรู้นะแต่ถึงยังไงก็ตามผู้ที่มีอายุพรรษา มากก็หลวงพ่อก็มีหลวงตาที่คมแนละนั่งอยู่ในนอกนั้นเป็นน้องๆของหลวงพ่อทั้งหมดเอาเป็นข้าราชการก็ยังไม่ถึงเกษยียณใช่ไหมหลวงพ่อเจ็ดิบแล้วนะลูกหลานนะสาญญาตัตยาดโยมนะเออหลวงพ่อเจ็ดสิบแล้วในะปีเนะี้พวกท่านทั้งหลายเป็นน้องๆหลวงพ่อทั้งหมดเอาตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกนะนธงนี้นะ